ที่เธอเรียนจบแพทย์แล้วก็กำลังเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางเธอก็เลือกเป็นจิตแพทย์แต่ว่าหลังจากที่เรียนไปได้ครึ่งทางนะเธอก็รู้สึกสับสนเครียดมี ความรู้สึกต่างๆรุมเร้ามากมายทั้งไม่แน่ใจว่ามันเป็นสาขาที่เธอชอบเธอถนัดจริงไหมแล้วกลัวว่าเธอจะเรียนไม่จบมีความวิตกกังวลนะกับการเรียนมากแล้วก็กลัวนะกลัวเพื่อนๆกลัวอาจารย์ ว่าเขาจะมองเราอย่างไรเขารู้สึกว่าไม่มั่นใจในการเป็นจิตแพทย์เลยแม่ครามส่วนนี้ก็รุมเรานะรบกวนจนกระทั่งคิดที่จะเลิกเรียนต่อแล้วเพราะเที่ควไปไม่ไหวแต่ใจหนึ่งก็ ยังอยากจะเรียนต่อให้จบนะเพราะว่าลงทุนมาเยอะแล้วในแง่ของเวลาแล้วก็กำลังกายกำลังใจช่วงที่เธอสับสนกังวลกลัวสรับพัดเนี่ยจนบางทีนอนไม่หลับเมื่อวันหนึ่งเธอไปเห็นอ่ซีดี ที่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่ก็เอาซีดีธรรมะเนี่ยมามาวางแล้วก็ให้คนเนี่ยที่สนใจเนี่ยหยิบไปพร้อมกับบริจาคด้วยแล้วชั้นที่เธอไปเห็นเนี่ยบกว่ามันมีซีดีเหลืออยู่แผ่นเดียวเป็นซีดีธรรมะของหลวงพ่อคำเขียนอะไรก็ไม่รู้นะทำให้เธอเนี่ยห ย, ยิบซีดีแผ่นนี้แล้วก็ บริจาคเงินมันเป็นแผ่นสุดท้ายนะที่เหลืออยู่เธอก็ไม่สนใจธรรมะหรอกแต่ว่าในยามเครียดในยามทุกเนี่ยคงจะลึกหวังว่านะธรรมะจะช่วยทำให้เธอใจสงบลงได้บ้างเธอบอกว่าเนี่ยพอเปิดฟัง ธรรมะของราเรื่อเขียนเนี่ยอยู่พักหนึ่งเนี่ยก็มีประโยชน์ที่ทําให้เรียกว่าเธอตาสว่างเลยประโยชน์นั่นคือว่าความจริงเนี่ยก็คือปกติคําพูดทํานองนี้นะความจริงเนี่ยมันคือปกติหมายความปกตินี่คือความจริง ไอ้ความไม่ปกติเนะี่ยคือความไม่จริงคือความหลงคือความลวงพอเธอได้ฟังแค่ประโยคนี้นะรู้สึกมันใจมันโลง่งมันเบาเลยไอ้ความทุกข์ต่างเนี่ยมันมันหายไปเยอะเลยพราะเธอไม่ได้คิดว่าไอ้ไอความกลุ่มความเครียดความวิตรกกังวลเนี่ยมันไม่จริง มันไม่จริงที่จริงเนี่ยคือความปกติที่ว่าไม่จริงเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอได้ได้มาเห็นว่าไอ้ความเครียดความกลัวความวิตกความสับสนเนี่ยมันเกิดจากการคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับภาพอนาคต คิดปรุงแต่งเกี่ยวกับมุมมองสายตาของผู้คนมันเป็นแค่ความคิดมไม่ใช่ความจริงและเพราะมันเป็นความคิดนี่แหละนะก็ทําให้มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากุ้มลุมนะเล่นงานเธอเธอมาพบอว่าเนี่ยที่เธอทุกเนี่ยเพราะความไม่จริงความไม่จริงนี่ก็ก็คือไอ้ความคิดปรุงแต่งนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีต หรือว่าภาพปุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตถ้าเราดูดีนะมันสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยกลดกลุ่มโศกเศร้าแค้นมันรู้แล้วแต่เป็นเพราะความคิดซึ่งมันไม่ใช่ของจริงบางทีก็มโนโไปเกี่ยวกับเรื่องภาพอนาคตมโน ไปเกี่ยวกับสายตาของผู้คนที่เขาจับจ้องมองเรามันเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเองโมโนขึ้นมาเองแล้วก็ทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้รวมไปถึงความจำนะหรือการคุ้นคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต หลายคนเนี่ยก็ไปฝังใจอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตซึ่งที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ได้มันเป็นเพียงแค่ความจำของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเวลาเรานึกถึงหรือย้อนมองความจำของเราเนี่ยเกี่ยวกับอดีตเนี่ยบ่อยครั้งเราคิดว่าความจำเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องน้นเรื่องนี้คือความจริงนะแต่ที่จริงไม่ใช่นะมันไม่ใช่ความจริงมันคือความจำที่เกิดจากบางครั้งเนี่ยมีการปรุงแต่งต่อเติมเสรมิมันไม่เหมือนกับถ่ายรูปนะถ่ายรูปเนี่ยภาพถ่ายเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเออมันมันสะท้อนความจริง เพราะว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงภาพถ่ายเมื่อร้อยปีเป็นอย่างไรมาถึงวันนี้มันก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่แม้กระทั่งภาพถ่ายนี่มันก็ไม่ได้สะท้อนความจริงได้ครบถ้วนนะมันสะท้อนบางแง่บางมุมเท่านั้นแหละแต่ความจำของเราเนี่ยมันมันแย่ยิ่งกว่าภาพถ่ายนะเพราะามันต่อเติมเสริมแต่งได้ง่ายและบางทีเราไปเชื่อเป็นความจริงด้วย สมัยเด็กๆเนี่ยตอนมาเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะชอบมากเลยนะตอนนี้นก็อายุประมาณสัหกเจ็ดขวบเนี่ยหนังเรื่องเบนเทอนะเบนเทอร์ะเป็นหนังที่เรียกว่าเป็นหนังใหญ่ทีเดียวนะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นหนังอมตะเลยก็ได้แล้วมันก็มีฉากฉากหลายตอนที่มันน่าตื่นเต้นมากนะ เด็กก็ฉากแข่งม้าเนี่ยแล้วพอโตแล้วเนี่ยก็ยังยังจำฉากบางฉากได้เพราะมันตื่นเต้นเราใจแต่พอกลับไปดูหนังใหม่ไอ้ฉากนั้นมันไม่มีฮงมันไม่มีอ่ะแต่ตัวเองคิดว่าจําได้นะว่ามันมันมีฉากเนี้อ่แต่หลังจากที่ดูมาหลายครั้งก็ไม่มีฉากนี้สักฉากเลย ก็เลยรู้ว่าไอ้ที่มันอยู่ในความจําของเรามันไม่จริงนะมันเป็นสิ่งที่เราต่อเตอิมขึ้นมาเองแล้วเราก็คิดว่ามันคือความจริงแล้วถ้าหาว่าไม่ได้กลับไปดูหนังใหม่นะตอนโตแล้วเนี่ยก็คงยังคิดว่าเนี่ยไอ้ความจําของเราเกี่ยวกับฉากนี้เนี่ยมันมันจริงอะแต่่จริงไม่ใช่มันต่อเติมไม่รู้มันต่อเติมยังไง แล้วเราหลายคนคุณมีประสบการณ์ทำน้องนี่นะแม้โตแล้วเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยบางทีจำได้ว่าเนี่ยข้อความเนี่ยเห็นจากหนังสือเล่มนี้แต่พอพลิกกลับไปคนพอกลับไปค้นดูหามไม่เจอคิดว่าหลงหูหลงตาไปสุดท้ายมันไปเจอจากหนังสือเล่มอื่น แต่ตอนนั้นนี่มันจำได้เลยนัหนังสือเล่มเนี้ยนะข้อความเนี่ยมาจากหนังสือเล่มนี้เ น, นี่ย ม, ม, มันจำได้แต่จริงมันแค่ความคิดนะนะมันไม่ใช่ความจริงเพราะมันก็มีหลักฐานว่าข้อความที่ว่านี่มันไปปรากฏในหนังสือเล่มอื่นต่างหากล้วความจำคนเราเนี่ยมันคนไปคิดว่าเป็นความจริงนี่ไม่ได้เลย แม้เราจะมั่นใจในความจําของเราว่าเราเป็นคนจำแม่นแม้ว่าเหตุการณ์มันเพิ่งผ่านไปไม่นานเดี๋ยวนี้ก็มีการพบว่าเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยคนอื่นสามารถจะต่อเติมความจําลงไปในหัวของเราได้นะมมีการทดลองในที่เชื่อว่าเนี่ยคนคนอื่นเนี่ยนะสามารถจะมาต่อเติมความจํา ต่อเติมเสริมความจำของเราได้จนทำให้คนบางคนคิดว่าเนี่ยเคยหลงในห้างสรรพสินค้าตอนเด็กตอนอายุ 3-4 มสี่ขวบ 4-5 ห้าขวบเนี่ยเชื่อเป็นตูดเป็นตาเลยแต่ความจริงคือไม่ใช่มันเป็นการต่อเติมนะของคนทดลองนะมันไม่ใช่เป็นการสะกดจิตนะ แต่เปนการเป็นการใช้เทคนิคง่ายๆที่ทำให้คนเนี่ยสับสนในสิ่งที่เพิ่งได้อ่านแล้วกักบความจำที่มันฝังมาตั้งแต่เล็กไอสิ่งที่ได้อ่านมาเม่สักครู่เกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กบางทีก็ซึมซับรับเข้ามากลายเป็นความจำแล้วคิดว่าเนี่ยมันใช่แน่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว มันคือความจริงนะแต่ไม่ใช่นะนั้นการที่คนเราเนี่ยไปไปเชื่อความจำหรือไปจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตเนี่ยแต่ว่าไปเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ไม่ใช่ความจริงนะเราไปจมอยู่กับเรื่องที่มโนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเสร็จแล้วก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าเกิดความเครียด อันนี้แล้วว่าความไม่ปกติเนะี่ยมันเกิดขึ้นนะจากความไม่จริงนะยิ่งถ้าเราโยงนะสาหาไปถึงสาเหตุนะว่าความโกรธความโศกความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยลึกลึกไปเนะี่ยมันก็คือรากเหง้าของมันคือไอ้ความยึดมั่นในตัวกูของกูนะ มีอะไรมากระทบตัวกูของกูก็โกรธบ้างหรือว่าอะไรที่ยึดว่าเป็นของกูสูญเสียไปก็เศร้ามีอะไรที่มันจะมาคุกคามตัวกูของกูก็เกิดความวิตกกังวลรวมทั้งอยากได้อยากจะมาเติมตัวกูให้ยิ่งใหญ่หรือว่าเพิ่มพนของกูให้มากขึ้นเมื่อเกิดตัณหาโลภะขึ้นเกิดความอยากได้แล้วก็ทุกข์ แล้วก็ร้อนขึ้นมาไอ้ความยึดในตัวโกงกูเนี่ยนะมันมันก็ไม่จริงนะตัวกวงกูเนี่ยมันไม่จริงมันเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมางั้นจะว่าไปแล้วในความทุ่งคนเราเนี่ยมันล้วนแต่เกิดจากความไม่จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงความจริงนะจากความไม่ทุกข์มาจากการความทุ่งกลายเป็นความไม่ทุกข์กลายเป็นความปกติไปอันนี้ก็อนจะเป็นสิ่งที่จิตแพทย์พู้นั้นเนี่ยได้ ได้ได้คิดขึ้นมานะคำพูดของหลวงพ่อเขียนนจริงๆมันก็น่าคิดมากเลยนะความจริงคือปกติอันนี้เคยพูดไปแล้วนะว่าจริงคนเราเนี่ยแท้จริงมันประพัดสอนนะเหมือนกับท้องฟ้าที่มันมันกว้างแล้วก็มันสีครามสว่างแต่บางครั้งเนี่ยมันหมองมัวมันไม่ใช่เพราะฟ้าเปลี่ยนสีนะแต่เป็นเพราะว่ามันมี กิเลสจรเข้ามาเหมือนกับมีเม่เข้ามาบดบังในความจริงของจริงคือความผุดพองนะประพัดสอนแต่พอมันมีกิเลสอวิชามามาปรุงแต่งนะมันก็เลยเศร้าหมองมเรียกว่าความเศร้าหมองเนี่ยมันคือความไม่ปกติก็ได้มันคือความมันไม่ใช่ความจริงของจิต ความจริงจิตมันคือมันพุทธผ่องบนปกติมันสว่างสวป็นะแต่แต่เพราะเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้าถึงแล้วไม่ได้มั่นคงอยู่ในความจริงเนี่ยแต่ไปอยู่กับความคิดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงความจำก็ไม่จริงแม้กระทั่งความรู้เนี่ยก็ไม่จริงนะ ไม่จริงเสมอไปเวลาพูดถึงความรู้นี่เราก็มักจะนึกถึงความจริงว่ามันเป็นความจริงนยะแต่ว่าความรู้มากมายเนี่ยเวลาผ่านไปมันกลายเป็นความไม่จริงนะมันกลายเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมามนก็เยอะแยะอย่างตะกอนเนี่ยมีคนก็เราก็เคยรู้กันมาว่าโลกมันแบนนะ แต่ตออหลังก็รู้ว่ามันไม่ใช่ความรู้อะโลกแบนนี้ไม่ใช่ความรู้นะมันคือความเชื่อมันคือความหลงผิดเพราะจริงๆนี่โลกไม่แบนหรือตอนเด็กๆเนี่ยนะเรียนวิทยาศาสตร์มาล้วก็ถูกสอนมาว่า น, นี่สุริยะจั ก, กรวาลเนี่ยมันมีดาวนับพราข้ออยู่จะที่หมุนรอบนะมีเก้าดวง หนึ่งในนั้นคือดาวพลูโ ต, โตนดาวพลูโ ต, โตคือดาวเคราะห์ที่โคจอรรอบดวงจันทร์เช่นโคจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับโลกอันนี้คือความจริงที่เราเรียนมาแต่ตอนนี้ดาวพลูโตนี่มันถูกลดระดับไปแล้วนะมันไม่ใช่ดาวเคราะห์แล้วนันที่บอกว่าดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่ความมันไม่ใช่ความรู้แล้วล่ะ แล้มันก็ไม่ใช่ความจริงแล้วแต่เมื่อ30มสิบี่สิปีก่อนเนี่ยมันคือความรู้และเราก็เชื่อเป็นความจริงแต่ตอนนี้มันไม่จริงซะแล้วหรือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะเมื่อ200ปีก่อนเนี่ยในวงการแพทย์นเนี่ยเขาเชื่อกันมากเลยตอนนั้นเขาไม่ได้ว่าเชื่อนะเขาเขาคิดว่าเขารู้นะคือถ้าป่วยหนักๆ น, น, นี่มันต้องถ่ายเลือดการถ่ายเลือดเนี่ช่วยทําให้ ความเจ็บป่วยโรคสารพัดที่หายไม่ว่าจะเป็นเป็นไข้ปวดหัวปวดท้องอ่ อ, อนเพลียทายเลือดเดี๋ยวก็จะดีขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นความรู้เลยนะในวงการแพทย์ของตะวันตกสมัยก่อนเนี่ยขนาดจอร์ดวอชิงตันเนี่ยอดีตประธานธิธบดีคนแรกของอเมริกาเนี่ยหลังจา ก, กเสียแล้วเนี่ยนะป่วย ป่วยก็ไม่มากนะขี่ม้าไปดูไปไปดูไร่กลับมานี่อ่อนเพียเป็นไข้เหนื่อยล้าหมอหมอใหญ่นี่สั่งเลยนะถ่ายเลือดนะลหลายครั้งด้วยก็าประมาณว่านี้ถ่ายเลือดไปสี่ปอร์เซนตนะของเลือดทั้งตัวเนี่ยผลก็คือล่ะคือตาย ไม่ได้ตายเพราะโรคนะตายเพราะถ่ายเลือดเดีย๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าเนี่ยถ่ายเลือดเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้นะมันไม่ใช่ความรู้ในการรักษาโรคมันเป็นความเชื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเวลาเราพูดถึงความจริงเนี่ยนะมันไอ้สิ่งที่เราเชื่อเป็นความจริงเนี่ย จะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะมันคือความไม่จริงนะมันคือความคิดมันคือความเชื่อมันคือสิ่งปรุงแต่งขึ้นมาแลวเพราะปรุงแต่งนี้แลละนะเป็นหลงเขี้ยบเป็นความจิมก็เลยทำให้คนเราเป็นทุกข์กลัดกลุ้มนะเศร้าโศกเสียใจอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่บานทีก็ทำให้ป่วยเลยก็ได้นะ อาจารย์ประเวศเนี่ยนเคยเล่าสมัยที่ยังรับราชการที่สิริราชเนี่ยวนนี้มีคนไข้ไวัยกลางคนเนี่ยตัวซีดนะพอไม่มีเรื่องไม่มีแรงมาให้คุณหมอตรวจนะคุณหมอที่เป็นหมอด้านโลหิตด้านเลือด ก, ก็ดูอาการคนไข้แล้วก็สักถามเล็กน้อยก็เสร็จแล้วก็หันไปคุยกับแพทย์ประจำบ้านบอกว่า คลุงคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากนะไอ้ที่ตัวซีดไม่มีแรงเพราะมีพิรุปากคอเดี๋ยวให้กินเหล็กกินเหล็กคือธาตุเหล็กเนี่ยก็จะหายวันหายคืนนะพูดกับแพรย์ประจําบ้านนะพอหันมาที่คนไข้คนไข้บอกว่าลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วก็บอกหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ไอ้เปร น, นี้แล้วล่ะ ว, ว่าแล้วก็เข็นเปรนเนี่ยนะไปติดผนังเลยเรียกแรงกลับมาเลย ทั้งที่หมอนี่ไม่ทันให้ยาคิดต้องต้องถามใหม่ว่านะแทนที่ถามว่าเรื่องแรงกลับมาได้อย่างไงต้องถามใหม่ว่าทําไมเป็นแค่พยาปากคอเนี่ยจึงไม่มีเลือดไม่มีแรงว่าแกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งมั้งเชื่อตัวเองเป็นมะเร็งและไม่ได้คิดว่าเป็นความคิดนะแต่ว่าเชื่อว่าเป็นความจริงพอพอเชื่อเป็นความจริงก็หมดแรงเลย ไม่มีแรงแล้วคนเราทุกเนี่ยเพราะความไม่จริง เ, ย, เยอะเลยนะนะทุกเพราะไอาการมโนเนี่ยงั้นถ้าคนเราเนี่ยหันกลับมานมาอยู่กับความจริงมาเห็นความจริงเนี่ยมันก็จะช่วยออกจากทุกได้เพราะว่าไอที่ทุกเนี่ยนะไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจเนี่ยบ่อยครั้งเมื่อร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันก็เกิดจาก การไปอยู่กับความไม่จริงแม้กระทั่งเวลาทุก์เนี่ยแล้วก็มีความสําคัญมั่นหมายหรือความสว่าชันทุกชั้นทุกชั้นโศกชั้นเศร้าเนี่ยอันนี้มันก็ไม่จริงนะพระพุทธเจา้าตรัสว่าเนี่ยมีความทุกแต่ไม่มีผู้ทุกเนะีอันนี้จริงต้องหาเนี่ยความจริงคือว่ามีความทุกขแต่ไม่มีผู้ทุกแต่เมื่อใดก็ตามที่ ไปเกิดความรู้สึกหรือความสำคัญบ้างาว่าเนี่ยฉันทุกข์ฉันปวดฉันเครียดฉันโศกฉันเศร้าเนี่ยเนี่ยอันนี้เรียกว่ามันเป็นหลงอยู่ความไม่จริงแต่ถ้าเห็นความจริงเมื่อไหร่นะมันก็ไอความทุกข์ที่ว่าก็หมดไปนะมีความปว่วยแต่ไม่มีผู้ปว่วยมีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์หลวงพ่ออำเขียนได้เคยบอกว่าเนี่ยไอความปวดเนี่ยมันไม่ได้ลงโทษเรา แต่ความเป็นผู้ปวดต่างหาที่มันลงโทษเราความปวดนี่มันมีไว้ดูมีไว้เห็นไม่ใช่ก็ไปเป็นพอเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เกิดความสําคัญมาหมายว่าฉันเป็นผู้ปวดโน่นฉันเป็นผู้ปว่วยนี่ฉันทุกข์ฉันโศกฉันเศร้าอันนี้คือความไม่จริงแต่พอเห็นความจริงเข้านะให้ความทุกข์ ในฐานะที่เป็นผู้ปวดผู้ทุกข์นี่มันหายไปเลยก็คือว่าเห็นความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะมันทำให้ใจี้กามเป็นปกติหรือเหมือนกับที่หลวงพ่ อ, เ, อเหมือนกับที่อาจารย์กำพลเนี่ยซึ่งพิการมาค่อนชีวิตเนี่ยแล้ววันหนึ่งพอมาภาวนาเจริญสติยกนิ้วเอ่อพริกมือไปพริกมือมา พิจารณาว่าไอทิพลิกเนี่ย ค, คือรูปไอที่คิดนึกมันเป็นนามถึงจุดหนึ่งก็เห็นความจริงแล้วว่าไอทิพิการเนี่ยคือกายพิการไม่ใช่ฉันพิการไอที่ฉันพิการมันไม่จร <mon ster bread> ิงไอที่จริงคือกายพิการพอเห็นความจริงแบบนี้จิตเราจะความพิการเลยนะจิตกลับมาเป็นปกติเลยเพราะว่าจิตเนี่ยเห็นความจริง มันพอเห็นความจริงหรือเข้าถึงความจริงนะั้นมันก็ความปกติก็เกิดขึ้นะอะไรที่จะทำให้เราได้เห็นความจริงนะโดยเฉพาะความจริงของกายและใจให้ความจริงของโลกนี่มันก็พูดยากนะเพราะบางทีมต้องใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะบอกได้ว่านี่จริงหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เป็นความรู้เวลาผ่านไป 40- 50ปีก็เพราะเป็นแค่ความเชื่อหรือเป็นเรื่องที่สมมุติกันขึ้นมา นะความจริงของโลกภายนอกนี่มันมันก็กำหนดหรือระบุได้ยากยืนยันได้ยากนะแต่ความจริงของกายและใจนี่มันเห็นได้ง่ายกว่านะความจริงของกายและใจที่เราทุกเนี่ยเพราะเราไม่รู้นะไม่เห็นความจริงของกายและใจเราไปไปหลงยึดกับสิ่งที่มันไม่จริงเนี่ยโดยเพราะไปหลงยึดตัวกูของกูเนี่ย ซึ่งจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาด้วยอานาจของอวิชชาหรือความไม่รู้ความจริงของกายและใจนะอันนี้มันเห็นชัดได้อยู่แลาเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเราก็จะเห็นความจริงของกายเมื่อยกมือเมื่อเดินนะทุกครั้งที่เรารู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวนะนั่นแหละคือความจริงซึ่งต้องอาศัยความรู้สึกตัว แต่บางครั้งเนี่ยเราพอมือเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวนะแต่มันไปคิดว่าฉันยกมือฉันเคลื่อนไหวฉันเดินอันนี้ไม่จริงแล้วะเวลาเดินจงกรมแทนที่จะมองหรือเห็นว่าเนี่ยรูปมันเดินตัวขยับเท้าขยื่นกลับไปมองว่าเนี่ยฉันเดินฉันเดินอันนี้ก็มีตัวกลัวขึ้นมาเนี่ย น, นี่ไม่จริงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีสติ ต่พอมีสติมันจะเห็นนะ อ, อ๋อมันเป็นรูปที่เคลื่อนไหวมันเป็นรูปที่เดินไม่ใช่ฉันเดินแล้วพอดูใจเนี่ยเห็นความคิดความรู้สึกเกิดขึ้นนะความโกรธความเศร้าความดีใจความเสียใจก็เห็นว่าเป็นแค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจอันนี้คือความจริงแต่คนส่วนใหญ่เท่านี้ความจริงอย่างนี้ก็ยังมองไม่เห็น พอมีความโกรธเกิดขึ้นก็ไปสําคัญมากว่าฉันโกรธฉันโกรธความดีใจเกิดขึ้นก็ฉันดีใจอันนี้แหละคือไม่จริงแล้วพอไม่จริงอันนี้มันก็เลยไม่ปกตินะไม่ปกติคือทุกข์ฉันโกรธฉันเศร้าแต่พอมองให้ดีเห็นความจริงว่ามันเป็นแค่ความโกรธความเศร้าไม่ใช่ไม่ใช่ฉันโกรธไม่ใช่ฉันเศร้า แลที่จริงไอ้ความกลัวความเศร้าเนี่ยมันก็ออกมาจากความไม่จริงนะเกิดจากการปรุงแต่งพราะคิดโนโนคิดนี่คิดมโ น, โนถึงอนาคตหรือไปจมอยู่กับอดีตความทรงจําที่ปรุงแต่งต่อเติมก็เลยนะเกิดเอาลงความสุกพวกนี้อาลงพวกนี้ถ้าพจริงมันก็มันก็ไม่จริงนะถึงแม้ว่าสิ่งที่เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยจริงนะแต่ตัวมันก็ไม่จริง หลวงปูด่ดูนเคยเคยพูดถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับโยมคนหนึ่งนะแกนั่งสมาธิเราเห็นสีเห็นแสงเห็นสวรรค์เห็นเท ว, วดาเห็นวิมานนะก็มาล่อเป็นตูวเป็นตะให้หลวงปูดงงป่ดูลฟังหลวงปู่ดูลย์ก็บอกเนี่ยไอยที่เห็นนั้นนะ น, นะเขาเห็นจริง แต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงเขาเห็นจริงนะแต่สิ่งที่ถูกเห็นมันไม่จริงก็คือสวรรค์เทวดาสวรรค์ น, นรกวิมานหรือว่าแสงสีเนี่ยไอ้สิ่งนั้นไม่จริงแต่ว่าที่เขาเห็นมันจริงวเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นในใจเนี่ยที่เรารับรู้มารับรู้ว่ามีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เนี่ยเรารับรู้จริงนะแต่ว่า สิ่งที่ถูกรับรู้มันไม่จริงแล้วมันก็เกิดจากความปรุงแต่งด้วยอันนี้ถ้าเรามมีสติเราก็ไม่เห็นนะไม่ไม่เห็นชัดนะว่าไอ้สิ่งที่ถูกรับรู้เนี่ยมันไม่จริงมันมีแต่จริงเฉพาะการรับรู้อารมณ์นั้นแต่เมื่อเราเห็นนะเมื่อมีสติเราเห็นเนี่ยไม่ไปเป็นเห็นอยู่ห่างมันก็จะพบว่า มันก็ไม่จริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมีสติพอมีความรู้สึกตัวขึ้นมามันก็หายไปแล้วความปกติก็เกิดขึ้นล้วเรามันนะมันดูมันสังเกตนะเห็นความจริงของกายและใจแล้วเราก็จะเห็นชัดขึ้นว่าเนี่ยความจริงเนี่ยคือปกติและปกติคือความจริง ในยามที่ไม่ปกติเนี่ยมันเพราะว่ามันไม่จริงเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ถูกรับรู้เนี่ยมันไม่จริงสิ่งที่ปลกสิ่งที่ปรุงแต่งยิ่งไม่จริงเข้าไปอย่างอ่าอย่านี้อพุทโธนินนะกราบ